สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับวันนี้เป็นตอนที่สามสิบเจ็ดนะครับของชีวิตพระเยซูและเราอยู่ในเหตุการณ์ปัสกาครั้งแรกของพระเยซูครั้งที่สองนะครับเมื่อวานนี้ผมเน้นนะครับว่าพระวิหารของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์แล้วก็พระเยซูนั้นทรงไม่พอพระทยัยทรงกลิ้วโกร่และผงตรัสว่าอย่าทํา พระนิเวศของพ่อบิดาเราให้เป็นแหล่งค้าขายพีย่งครัเราเห็นว่าพระเยซูนั้นได้แสดงถึงลักษณะของความเป็นผู้กล้าหาญที่ทรงอํานาจของพระองค์แลในขณะเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงเป็นบุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพมีอารมณ์นะครับในที่นี้พระองค์ทรงกริ้วโกรธและเสียพระทัยที่พระวิหารักลายเป็นที่ค้าขายและผมก็ได้เรียนให้พี่น้องได้ดทราบไปแล้วนะครับว่าสถานนมัตสการของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นสถานาที่ โดยสุดเสมอและกิจกรรมทุกอย่างจะต้องเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าอย่าให้มีใครนะครับที่จะเข้ามาและแสวงหาผลประโยชน์ในเครืจักรไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทงงั้งตรงไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมมีการเอารัดเอาเปรียบเพื่อที่ใช้พวิหานนั้นเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเป็นแหล่งแห่งความคดโกงเป็นการคอร์รัปชันพี่น้องครับเราจะาดูต่อไปนะครับในข้อที่สิบเจ็ดถึงข้อที่ยี่สิบสองของพระธรรมยอพิที่สอง ในข้อที่สิบเจ็ดได้กล่าวว่าพวกสาวกของโปรงก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของโปรงจะท่วมทนข่าโปรงเทียสูรงร้อนผัทไายจริงๆครับถึงกับขนาดที่จะต้องชำระเป่าวิหาในวันนั้นด้วยความกล้าหาญยองครับสิ่งที่สาวกได้ระลึกก็ถึงนั้นก็คือพระชะนะของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสรดีบท 69, ที่หกข้อทีครับความร้อนใจในพณิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข่าพระองค์พี่น้องครับตรงนี้เป็นบทเรียนของเรานะครับว่าเราทั้งหลายจะต้องดูแลรักษาพระวิหารของพระเจ้าให้บริสุทธิ์เสมอเทั้งหลายจะต้องเรียนแบบพระเยซูนะครับในการที่จะไม่ยอมให้ใครตามที่จะทําให้พณิเวศของพระเจ้านั้นเป็นแหล่งค้าขายเป็นแหล่งแห่งการแสวงหาผลประโยชน์เป็นแหล่งแห่งความคดโกงพี่น้องครับ เป็นธรรมดาอยู่เองนะครับในผูงชนที่พากันมาดูเหตุการณ์นั้นย่อมมีชาวฮิวชซึ่งเป็นคนที่มีอํานาจเป็นผู้ปกครองอยู่ด้วยพวกเขานั้นก้องใจว่าพระเยซูนั้นมีข้อพิสูจน์ยังไงที่ยืนยันว่าพระเยซูมีสิทธิ์คัดค้านการซื้อขายของนะครับการซื้อขายสัตว์และแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งสภาแซนเทตดุยนั้นได้ยอมให้ดําเนินกิจการได้ในข้อสิบเก้าครับพระเยซูตอบพวกเขาด้วยช้อยคําที่แปลกประหลาดนะครับพระเยซูตอบว่าไงครับพี่น้องครับ ลองดูนะครับในข้อที่สิบเก้าเียสุตัดว่าถ้าทำลายวิหารนี้เสียเราจะยกขึ้นในสามวันเปียสูตัดพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของโปรงแต่ชาวยิวเขาไม่เข้าใจพวกเขาคิดว่าโปรงหมายถึงวิหารที่เขายืนอยู่เขาจึงตอบในข้อที่ยี่สิบนะครับบอกว่าวิหารนี้เขาสร้างถึงสี่หกปีจึงสำเร็จ และท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวันหรือต่อมานะครับพี่น้องครับเราคงทราบนะครับว่าอีกสามปีนะครับเปเยซูถกไต่สวนชาวยิวได้อ้างถึงคำตัดของพระองค์ในยอห์นบทที่สองข้อสิบเก้าตอนนี้ครับที่จะปักตําพระองค์ถึงตอนนี้นะครับพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่พระองค์ทรงตัดครับเช่นครับเรามาดูนะครับพระวิหารของพระเจ้านั้นได้สร้างมาถึงสามครั้งด้วยกันนะครับ ครั้งแรกนั้นคือวิหารของซโซโลมอนนะครับครั้งที่สองก็คือวิหารของเซรุบบเบลหลังจากที่พวกเขาตกมาเป็นเฉลยนะครับหลังจากที่บาบิโลนได้ตีกรุงเยเซมและทําลายกําแพงกรุงเยเซมและทําลายพระวิหารจงราบคาบนะครับวิหารของซโซโลมอนราบคาบไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นอีกเจ็ดสิบปีครับเซรปปูบบเบลก็นําคนกลับมานะครับแล้วก็มีเนี่มีนะครับ แล้วก็มีเอสรานะครับแต่สรุร์เบลนั้นก็สร้างพวิหารจนสําเร็จครับนี่คือวิหารหลังที่สองครับวิหารหลังที่สองนั้นก็สืบทอดต่อกันมานะครับหลายร้อยปีทีเดียวสามสี่ร้อยปีครับจนกระทั่งผุพังแล้วก็ทรุดโทรมลงและการบูรณะพระวิหารครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยเฮโรดมหาราชนะครับวิหารของเฮโรดมหาราชนั้นใช้เวลาสร้างนะครับนานมากทีเดียวครับจนกระทั่งอะไรครับ เป็นวิหารที่สวยงามและยิ่งใหญ่เพรา ะ, ะเฮโรดนั้นก็ขยายพระวิหารออกไปให้มากกว่าในสมัยของโชลมอนครับและพระวิหารหลังนี้ถือว่าเป็นพระวิหารที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ต่อมานะครับอีกเจ็ดสิบปีให้หลังก็คือคศเจ็ดสิบครับพระวิหารหลังนี้ก็ถูกถล่มทลายจากกองทัพของโรมพี่น้องครับนี่คือประวัติของพระวิหารจนกระทั่งทุกวันนี้ครับพระวิหารยังไม่ได้สร้าง ได้มีคํำพยากรณ์ไว้ว่าพิหารนั้นจะถูกสร้างขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งชาวยูวนะครับอิสราเอลในสมัยนี้นะครับเขาก็จ้องมองและเล็งว่าเขาจะสร้างพริวิหารแน่ครับเขามีแผนการสร้างพิวหารแน่แต่ยังไม่รู้ว่เมื่อไหร่ครับเราอาจจะคิดว่าคงจะเป็นไปในเร็วๆนี้พี่น้องครับให้เรากลับมาดูในข้อที่21นะครับยอนผู้บันทึกพระกิตติคุณอธิบายว่าพิวิหารที่พระ อ, องค์ตรัสถึงนี้คือ พระกายของพระองค์นั่นเองในตอนเดียวกันนี้ยอห์นก็ยังเล่าว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นเในความตายแล้วสาวกจึงเข้าใจความหมายที่เปเยซูตรัสนะครับเกี่ยวกับผู้หาร น, นี้ที่นี้ครับเรามาดูนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้าบันทึกไว้นะครับว่าอย่างไรพระวจนะพระเจ้าบันทึกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ว่าพรงตรัส ด, ดังนี้และเขาก็เชื่อพระคัมภีร์ และพระดํำรัสที่เปียซูได้ตรัสแล้วนั้นในข้อที่ยี่บสามครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับยอนก็ได้บันทึกต่อไปว่าคนเป็นนั้นมากก็ได้วางใจในพระนามของพระองค์เมื่อเขาได้เห็นหมายสําคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำเปียซูไม่ได้ดทรง ก, กระทํากับนาซีจันอย่างที่บ้านคานาพรงได้ทรงสมแดงถึงความมีอานาจและพระวิหารนี้เป็นที่ประทับของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์เองบรรดาผู้ที่วางใจในพระเยซู เขาเพอได้เห็นสิ่งที่เยชูทรงกระทําอย่างไรก็ตามครับข้อที่ยี่สี่บอกว่าแต่พระเยชูมิได้วางพระไัยในคนเหล่านั้นเพราะอะไรครับข้อที่ยี่ห้าครับพระเยชูทรงทราบจิตใจของคนเหล่านั้นทรงทรงทราบว่าไงครับทรงทรงทราบว่าความตื่นเต้นบระเดี๋ยวประดาวของพวกเขาไม่ทําให้พวกเขาจงรักภักดีต่อพระยาวต่อพระองค์อย่างยาวนานนะครับผมจะพูดอีกครั้งนะครับความตื่นเต้นบระเดียวประดาว ของพวกเขาไม่ทําให้พวกเขาจงรักภักดีตอ่อพระองค์ยาวนานครับพวกเขาต้องการกษัตริย์ทางการเมืองผู้ทรงอานาจเปโตรทรงปฏิเสธที่จะเป็นกษัตริรย์เปโตรทรงมาเป็นพระเมสสโบรดครับเป็นลูกแก่ของพระเจ้าที่จะต้องตายบนแมง เ, เขนเปโตรไม่ได้ต้องการให้พวกเขาตื่นเต้นแย้มนาคที่เปโตรสแสดงออกมาครับแต่อยากจะให้พวกเขานั้นได้วางใจและเชื่อฟังและทําตามบทบัญญัดกฎเกณฑ์ของพระเจ้ากลับใจใหม่ครับเพียงครับ บทสรุปในวันนี้ก็คือเราไม่ทราบจาะจงครับว่าพระองค์ประครับอยู่ในเยลเซนานเท่าไหร่เรื่องสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือเราจะต้องคิดถึงว่าการที่เปียชูชาระพระวิหารนั้นพระองค์ทรงต้องการอะไรครับต้องการให้พระวิหารของพระองค์นั้นเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์ครับเปียชูทรงเป็นผู้ที่กล้าหานทรงอํานาจไม่ใช่ด้วยตาแหน่งทางการเมืองแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วย ฤทธิอำนาจของพระเจ้าในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นบุคคลเป็นคนธรรมดาสามัญชนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์พระองค์ทรงมีความโกรธความกริว้วและเสียพระไถยขอพระเจ้าได้อวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้ได้เห็นถึงความหมายของความบริสุทธิ์ของบริหารของพระเจ้าและเราจะทําอย่างไรให้พริหารของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์เราเองนั้นต้องบริสุทธิ์และพี่น้องของเราก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยขอพระเจ้าช่วยเรา และส่งอํานวยพ่อพี่น้องครากทุกท่านอาเมน